เราเราดูสิ่งนั้นเกินไปเพราะฉะนั้นก็จะให้แก้โดยวิธีการมองออกไปข้างนอกนะคะดูอย่างอื่นบ้างวันนั้นก็ลองลองทำอย่างที่พระอาจารย์นแนะนำอีกนะะก็ก็ดีขึ้นนะะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ประพาพัฒอีกค ร, ครั้งหนึ่งนะคะที่ให้ความการุณานะะที่เราได้มาอยู่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 ไปสวรรค์มาค่ะขอบคุณค่ะ